เป็นอย่างนี้เองชีวิตเข้าใจไหมครับบางทีคุณอาจรจะบเบิดเสียงว่าร้อก็ได้บอก <_ C 1> โอ้ยมันมันอะไรอย่างนี้วะลุมเข้ามาทุกด้านมีท่านอาจารย์ที่สุนโมคเคยเล่านิทานนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์วิสุคงจำได้เทวาชาคนหนึ่งเขาเป็นคน ในสายตาเพื่อนบ้านใกล้าเป็นคนบ้า บ, า บ, มบวมๆเขาไปเที่ยวป่ากลับมาถึงไฟกำลังไหม้บ้านพอดีเขาวางมีดพลาได้ก็ตกมือล่องชายโยดีจะได้สิ้นเรื่องไปเคยได้ยินใช่ไหมครับตกมือเต้นขึ้นเต้ลงชายโยโหัล้อดีจะได้หมดเรื่องหมดราวเนี่ยพราะยังไงเสียวันหนึ่งหนึ่งครับ เคยได้ยินคนแก่พูดมั้ยครับว่าเรามามือเปล่าตีนเปล่าแล้ววันหนึ่งเรากลับมือเปล่าตีนเปล่าเคยได้ยินไหมนั่นเราเกิดมานี่ยกทรงสักตัวก็ไม่ได้ติดมาชักในท้องแม่หรือกางเกงถุงเท้าก็ไม่มีออกมาแหวนสักนิดก็ไม่มีมือเปล่าตีนเปล่าแท้ๆครับแล้วมาหาทีหลังอนไหนสุดก็กลับอย่างนั้น เพื่อนอาจจะแต่งตัวให้เวลาอยู่ในโลงศพแต่ว่าจริงๆไม่รู้เรื่องเรามือเปล่าตีนเปล่าแล้ว ก, กลับตีนเปล่ามือเปล่าบางทีผู้รู้บางท่านเนี่ยพูดนะครับว่าชีวิตเหมือนคฝันคกล้ๆเราฝันนะแต่ว่าเราเกิดมาแล้วนะในสิวเราก็จากไปถ้ามองไปแล้วนะเรามาสู่โลกนี้ชั่วคราวนะครับอายุของเราเจ็ดสิบปีหรือห้าสิบปี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 บางคนต้องไม่รู้ว่าต่างคนต่างเป็นทุกถ้าเรายืนอยู่ข้างแม่แม่ผัวนะครับตั้งหลักคิดบนแม่ผัวนะฮะสมมติต่อมาลูกสะพ้ายมีลูกชายออกลูกมันเป็นชายแล้วต่อมาลูกชายไปแต่งงานตัวเองเป็นแม่สะภ้ายีะ น, นึกออกหรือเ่าตัวเองเคยทะเละเาะเขาอย่างไงเข้าใจไหมครับ หรือว่าคนหนุ่มสาวยังนึกไปออกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงอย่างไรพอตัวเองมีลูกขึ้นมานึกออกเ อ, อนึกออกว่าแม่เป็นห่วงเราอย่างนี้แต่มันสายเสแล้วครับพอเราได้ทะเลาะกันลั่นบ้านไปกันแม่เร <c oughs> เคยดูสาคดีหรืออะไรเนี่ยข่าวนี่บ่อยทุกๆหนึ่งนาทีนะครับสถิติรายงานว่าเด็กหนุ่มสาวจะวิ่งหนีออกจากบ้าน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 เราจะพบบ่อยว่าเด็กหนุ่มสาวเขาจะโตอตอบพ่อแม่ที่มันจูดจ้านในชีวิตของเขามาสารแน่กับเขาเด็กหนุ่มสาวตะโกรว่าแม่ก็อยู่ของแม่กันแล้วกันเนี่ยชีวิตของใครของมันแล้วเขาก็เปิดประตูวิ่งไปเลยหายไปตลอดชีวิตก็มีเป็นการแตกแหลกสลายของระบบครอบครัว ทีนี้มาดูนะครวามรู้สึกตัวความสุขของหมูคำว่าหมูนี่หมายถึงครอบครัวก็ได้หรืออารามหนึ่งคือครอบครัวหนึ่งหรือหรือชาติก็คือครอบครัวของชนกลุ่มหนึ่งหรือครอบครัวของของโลกซึ่งประกอบด้วยประเทศแต่ละประเทศตัวันนี้แต่ละกลุ่มเต่ฝ่าขัดกันป็นบ้าเป็นหลังเลย ผมพูดค้างคาไว้เมื่อสองวันว่าถ้าเพียงแต่คนทุกคนในโลกนี้มารู้สึกตัวเท่านั้นนะครับโลกนี้ประสบสันติทันทีเชื่อไหมครับแต่นี้เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นนะคือยังไม่ตด้คำถามทํายังไงจึงใหเขาเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เรื่องหนึ่งเราเราพูดไม่ได้แต่เราต้องสมมุติทานว่าถ้า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 เข้าใจไหมครับป่าจะเขียวชื่ออุ่มลำทานจะสายสะอาดคนยากไร้ที่พึ่งจะไม่มีครับคนรู้สึกตัวเราไม่ต้องการอะไรดังนั้นไอ้ทรัพสมบัติอะไรมันมีไว้เพื่อเจือจานะความเป็นไปได้นี่อยู่ที่จุดนี้นะครับแต่ว่าใครล่ะที่จะไปพูดใ ห, ให้ทุกคนรู้สึกตัวอย่างนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวครับเรามองกว้างถึงระดับโลกเอาแค่ระดับชาตินะครับ ลดลงมาดูถ้าเพียงคนในประเทศเรานี่สักครึ่งเดียวรู้สึกตัวในประเทศนี้เจริญ น, นะนะจริงไหมเอาลดลงมาแค่สุราษฎร์ธานีแต่คนรู้สึกตัวสักสักครึ่งเมืองนั้นนะครับบ้านเมืองเมืองนี้ก็สงบสุขแล้วสุราษฎร์ธานีชื่อเมืองคนดีนะแต่ว่าคดีอาญากรรมสูงที่สุดเปลี่ยนชื่อจะดีไหมกับทุราชธานีนีไหยครับ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 หรือในมหานคร ใ, นใหญ่งนิวยอร์กแฟรงก์เฟิร์ตหรือกรุงเทพนะครับซึ่งมีประชากรประมาณห้าล้านเศษ็จทุกๆวันการจราจรจะขับขันผู้คนเดินไปเดินมาขับรถบึงไปบึงมาถ้าเรามีหวัวใจที่สงบไปยืนในที่สี่แยกแล้วตั้งคำถามเขาก็ลังทำอะไรกันคนเหล่านี้ต้องการอะไรเนี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 ลองไปยืนสีแยกแล้วถามใครก็ได้ว่านี่คุณรู้จักความสุขไหมก็ามอาจจะหัวเลาะสายหน้าบอกโอ้ยสุขจะกันอะไรกันต้องมีเงิน เ, ย, قة, เยอะๆมีอำนาจมากๆมีบ้านใหญ่ๆมันจริงจะสุขใช่ไหมครับ ค, คุณคิดอย่งนั้นไหมคนที่ยืนอยู่ป้ายรถเมย์นั่งรอรถเมย์อยู่ถ้าคนที่รู้สึกตัวนะครับมันจะมันนั่งรอรถเมย์ก็จริงแต่มันปฏิบัติทำอยู่เข้าใจไหมครับ คนทุกคนนะมันคิดคับนั่งในรถเมล์ในเรือไฟนั่งในเครื่องบินมันคิดคิ ด, คดเราก็จะสร้างสวรรค์วิมาตสมมติว่ากระแสความคิดนี่เป็นเหรียญวันนี้รวยตายแล้วเนี่ยแต่ละคนนี่เป็นมหาเศรษฐีนั่นคือคิดมากๆครับจริงไหมสมมุติคิดเรื่องหนึ่งนี่เหรียญตกลงมาเหรียญหนึ่งนะป่านนี้คงรวยไม่รู้เรื่องแนละ้วแต่เรื่องไม่เป็นอย่างนั้นครับมันยิ่งคิดยิ่งเป็นหนี้หนอกขึ้น คือหนี้ชีวิตครับเข้าใจไหมือเป็นหนี้คล้ายๆไปกู้เข้ามาแล้วเป็นติดหนี้เขาอยู่ตอนเมื่อเราหันมาดูความคิดครับการลบล้างหนี้ก็จะเกิดขึ้นนั้นเมื่อนั่งที่ป้ายรถเมล์ร้อรถเมล์อ ย, อยู่อย่านั่งเปล่าครับเรารู้ตัวดูใจอยู่จับความรู้สึกอยู่ แต่ไม่ใช่นั่งยังรถเมล์มาลืมตัวรถเลยไปเลยเลยตกรถตกเลยไอ้ น, นี้ไอ้ น, นี้เป็นคนเผลอตัวครับแล้วก็ดูไปครับถึงเวลาที่เราตัดสินใจขึ้นรถเมล์เราก็ขึ้นพอนั่งเรียบร้อยป๊อปหาจุดเสถียรขึ้นมามก็นั่งดูใจเฉพาะวันนี้ทัศนคติที่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมะเลยนี่มันเกิดผกผันตรงข้ามไงมึ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 หรือขวานหรือเลื่อยหรือจอบเรารู้จักมันดีแล้วเรากำลังใช้งานนี่ยเราเกิดประโยชน์แล้วไม่มีอันตรายใดแต่ว่าความคิดที่คิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่อันตรายมากๆเข้าใจไหมฮะเหมือนคนตื่นกลางดึกละเมอตื่นที่เ็าเรียกโรค s ล e e p w a l k นะครับแล้วก็จับมีดจับขวา น, นมาแล้วยุ่งนทีนี้ตอนผมเด็กๆน้องชายของผมเขาเป็นโ walk, ครคส l ิปวอล์ก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 มันยิ่งตื่นมันยิ่งดีมันยิ่งส่งกำลังดังนั้นที่ผมบอกว่าทำให้มันฟุ้งคือให้มันคิดขึ้นมาแล้วความตื่นตัวนี้จะสูงคนที่คิดเก่งมากๆเนี่ยที่จริงคือคนฉลาดแล้วก็มีพลังสูงถ้ารู้ตัวมากๆด้วยนั้นกลางสมาธิที่กลั่งกล้ามากครับในขณะที่เราคิดเราไม่รู้ตัวขณะนั้นเราฝันรางวัล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 มันพาไปเรื่อยมันบอกไปสิไปหอวทิ่มลงในแม่น้ำเจ้าพะยาแล้วแกก็จะไปสู่สวงสวรรค์ก็พาไปพาไปแล้วก็ตายในที่สุดความคิดนั่นเช่นเดียวเป็นอินทรีย์ส่วนหนึ่งเป็นอาการของอินทรีย์คือมันอินทรีย์นะครับทางใจยอย่างแขนขานี่ถ้าเราถูกตัดแขนที่ข้างหนึ่งเราก็เดินลำบากครับจริงไมไม่ค่อยได้ดุนมัน ความคิดก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกับอาการที่มือเคลื่อนอย่างนี้ดังนั้นจิตก็คิดมือก็แกว่งใช่ไหมครับซึ่งดีมากๆครับแต่ว่าแกว่งมือแล้วแกว่งไปหาเสี้ยนมันก็เจ็บาจาก็จะเผลอตัวไปโมโหเหยียบไปบุกกระบงกน้าโมโหไปชกน้ำสักทีทีนี้ก็ยุ่งเลยไม่รู้ตัวไปกระแทกเข้าก็เจ็บนะครับ ควคิดเหมือนกันครับเมื่อไม่รู้มันคิดเข้าไปสู่ฝ่ายอากุศลเรื่อยๆเข้าใจไหมครับมันมืดมันคิดแสบไปหาสิ่งที่มันจะลําบากยิ่งขึ้นครับเคยดูการ์ตูนเรื่องดูไรอมอนไหมครับดูผมก็ดูคล <c oughs> ้ายๆเด็กๆเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ดูแบบเด็ ก, ดกผมดูว่าเด็กๆมันดูอะไรกันเท่านั้น เด็กๆดูรายกันก็ฟงก็เลยดูที่เด็กๆก็ดูกันด้วยดรามอนนั้นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของจิตนะครับมันฉลาดมากๆใช่ไหมฮะแต่ว่ามันใช้ความฉลาดนําพักพวกก็ไปสู่ความยุ่งยากทุกทีเลยจริงไหมทุกเรื่องของโดรามอนเป็นอย่างนั้นไหมใช่ไหมครับมันฉลาดมากๆเลยนั้นคล้ายๆความคิดนี่ครับมันฉลาดแต่แล้วความฉลาดของมันนะสร้างเรื่องยุ่งทุกตอนเลย นั่นเปร right? like, ียบด้วยความคิดครับมันคิดเดี๋ยวก็ได้เ <Their> ร <royalty outside> ื่องคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ได้เรื่องอีกทีหนึ่งเคยดูเรื่องสโนไวท์ไหมครับดูแก้วหน้ามาผมก็ดูครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ดูดูดูเพื่อความเพลินนะครับ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 หัวลอกที่บอกผมว่ามันนักดูกระทูนนีไไม่ใช่อย่างนั้นตัวสโนไว้เมื่อมันถูกล่ายออกจากแม่เลี้ยงฮี้ิษยานะครับมันก็ไปคบกับคนแคล์เจ็ดคนซึ่งแต่ละคนนี้น่าตลกทั้งนั้นเลยชื่อกับประหลาดประหลาดนายคนแรกชื่อนายขี้ง่วงสิลิปี้เขาคชื่อนายขี้ง่วงเจ็ดคนนคือคือลักษณะที่ที่แคละแกลนทั้งนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารับลักษณะที่แกลนงเราเองนะครับเมื่อนั้นเราจะมีพักพวกมีกำลังขึ้นและชีวิตจะดีขึ้นวันนี้เราปฏิเสธตัวเองนะครับเช่นเราสมมติใครสักคนในที่ประชุมนี้นะครับจมูกแบนนะครับจมูกสั้นและเขาไม่ยอมรับสักทีว่าตัวเองจมูกสั้นก็อยากจมูกโด่งอย่างฝรั่งก็ทุกข์อยู่นั่นแหละ เห็นฝรังเดินมาก็กลุ้มแต่พอถึงวันหนึ่งคิดว่าอ้าแบนก็แบนความทุกข์หายไปทันทีนรจริงไหมในกรณีนั้นนะครับอ้าวแบนก็แบนทําไงได้มันก็แบนมันตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่เพิ่งแบนซะเมื่อไหร่วันที้หรือว่าเพิ่งแบนก็ได้ครับเช่นจมูกแหวงตาบอดพอเรารับได้นะเนี่ยความทุกข์จะน้อยมากเลยเข้าใจไหมครับสมมติคุณเกิดตาบอดขึ้นมาแล้วคุณ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 ก็กลับไปอยู่สภาพแคลแกลนที่สร้างวัตสัญลักษณ์คนแคละทั้งเจ็ดนะครับเมื่อคุณง่วงนอนนะครับเมื่อนั่งปฏิบัติภาวนาแล้วเกิดง่วงนอนคก็ดูความง่วงเท่า น, นั้นเองคือยอมรับเออนี่ง่วง er สิเนี้ยพอเออนี่ง่วงสิเนี้หายหทันทีเคยทำอย่างนั้นัหยครับอืม นี่พะง่วงขึ้นมาพย า, ยามต่อสู้เบิงตาขึ้นยิ่งง่วงหนักก็ไปคือไปต้านมันเข้าครับที่จริงเราต้องปรองดองพะง่วงก็กําหนดแค่กําหนดเรื่อ๋อง่วงพออ๋องง่วงเนี่ยมันจะรู้สึกแจ้งขึ้นมานทีครับดยวิธีการนั้นพระนิพนธน้อมนี่นะครับแก่หนามาถือว่าถือมีดิโต้นะครับหมายถึงว่าการปฏิบัตินอกรูปแบบเหมือนที่ผมบอกง่วงนอนก็ เข่กูก็ตัวเองก็สี่ห้าทีมันดูไม่งดงาแต่มันได้ผลครับจริงไหมเดินกระแทกส้นนี่ผมเชื่อจะไม่มีใครแนะนำนะว่าทำสมาธิบ้าอะไรก็ไไม่รู้เดินกระแทกส้นปึงปังปงัปงใช่ไหมแต่ว่ามันได้ผลก็แล้วกันนะครับเราปฏิบัติไป เ, เราแก้ปัญหาในตัวเราโดยภายนอกอาจจะดูรุ่มร่ามบ้างครับแต่ว่าโดยภายในก็ปุดผ่องขึ้น เราคงได้ยินพาสิตธ์อะไรนะครับที่วข้างนอกคลุกคะข้างในตะทิ้งหน่งอะไรก็ว่าอย่างนั้นจริงไหมเก็ได้ยินไหมเราก็รักษาใจใเราให้ตะติ้งหน่งทุกวันข้างนอกช่างโว่เหมือนแต่ในสุดเมื่อเนื้อหาภายในเติบโตะขึ้นมันก็ค่อยจัดฟอร์มภายนอกให้สอดรับเข้าใจไหมครับ hmm? มันค่อยๆจัดฟอร์มภายนอกท่าทีภายนอกให้สอดรับกับภายในขึ้นจนได้ ดใหม่นะครับถ้าไปวางฟอร์มหรูๆแล้วข้างในไม่ทตาทิง้งหนงมันจะครูขาวด้วยจันวางท่าทีเป็นผู้รู้เป็นาศาสดาขึ้นมาทันยุ่งทันทีครับคืออยากจะให้ให้เขารักใคร่นับถือแต่ว่านั่นเป็นความอยากไปสร้างขึ้นหรือไปสร้างความสงบขึ้นอย่างนี้ข้างในก็วุ่นวายจริงหมแล้วมีตาราหนังสกคนหนึ่งสแสดงบทเป็นพระสมณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แดงให้เหมือนบทบาทมากสงบมากนั่นคือวุ่นที่สุดเลยข้างในเพราะมันอยากให้สมบทบาทจริงไหมดังนั้นตัวความสงบก็คือความสิ้นสุดการดิ้นรนจากข้างในครับเข้าใจไหมสิ้นสุดการดิ้นรนขวนขวายจากในสุดโดยข้างนอกหิวข้าวก็ไปกินเสง่วงก็ไปนอนเสเข้าใจไหมครับ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 ยังงงออีกครับก็คือเราจะปฏิบัติกันเองฟื้นฟูขึ้นมาทิ้งคำพูดให้หมดที่ผมฟังที่ผมพูดให้ฟังไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเริ่มพลิกมือ <c oughs> ถ้าพลิกมือข้างขวานะครับเป็นการดีที่มือข้างซ้ายปิดนะท่ามตะออกววา เพราะปลายมือนี่คือปลายภาษามันจะสัมผัสอาการเต้นของหัวใจได้ดี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 เช่นก่อนที่เราจะเคลื่อนมือเราก็รู้ตัวไม่มีอารมณ์ล้อเล่นตัวเองไม่มีอารมณ์หยอกล้อผู้อื่นไม่มีอารมณ์หลุกลิกไม่มีอารมณ์ซัดสายหรือโลเลหรือประมาทหรือกลัว <c oughs> ดังนั้นอารมณ์นั้นต้องตั้งมันและแน่วแน่แล้วจึงทํากิจกรรมนั้นอย่างสู้าเราจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านห้ามนะครับไม่ให้ลองเพลงผิดศีล น, นัจจคีตวาทินจนะจัคคือน้าจนะครับหน้าตะลักการฟอร้อนรำคีตคือการคีดสังคีนะครับวาทิะคือวาทิตประโคมวงวาทิตนี่คือวงเครื่องสายประโคม ไม่ให้ร้องไม่ให้รำไม่ให้ดูการละเล่นไม่ให้ทัดทรงสวมใสเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้อารมณ์ของเราวุ่นวายห่ อ, อนแอนั้นสรบสับศีลแปดแต่ผมคิดว่าโดยชีวิตรจริงของคนธรรมดาสามัญทั่วไปนั้นย่อมเรียงยากที่จะไม่ฟังวิทยุไม่ฟังเพลงหรือไม่ร้องเพลง ต่างว่ามีนักปฏิบัติทำสักคนหนึ่งเเคยเป็นนักร้องหรือนักดนตรีเขาจะต้องเลิกอาชีพหรือความหรือทักษะของเขาด้านนั้นไหมผมคิดว่าเขาไม่ควรจะเลิกแต่ปับันนี้เขาควรจะเล่นดนตรีสมัยด้วยจิตใจใหม่ด้วยระเบียบของความรู้สึกตัวใหม่แต่ถ้าเขาอยากเป็นนักบวชก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็เลิกเลยก็ได้ แล้วใครก็ตามที่ไม่อยากจะทิ้งทักษะเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองสันทัดเขาก็สามารถประยุก ค, ความรู้สึกตัวเข้าในการงานได้ที <zin> ่ ส, <OOM> ส่วนใหญ่เ่เราจะร้องเพลงเรามักจะสะเร่าครับร้องเล่นร้องเพื่อสติขาดยิงย่งขึ้นใช่ไหมครับพอคุณอ<ง isten>้าปากร้องเพลงก็ลืมตัวทันทีเลยลืมตัวนี้ครับเพราะถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่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 อย่งจริงพระสวดมนต์นะครับก็คือก็พระร้องเพลงแต่ร้องทํานองเดียวแต่เดิมนั้นท่านร้องทํานองที่เรียกสารพัญยะองค์ใดพระสัมพุทธนะครับมันคือเพลงที่ทเป็นขนบร้องสืบสืบกันมาแต่โดยความจริงแล้วมนุษย์เราควบคู่กับเรื่องเพลงและดนตรีศิลปะมันตลอด